วิธีสละสันถัดที่เป็นนิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันถัดรองนั่งพื้นนี้กระผมไม่ได้เอาสันถัดเก่าหนึ่งเคือบสุขคตโดยรอบมาพลใช้ให้ทเป็นนิสกีกระผมสละสันทัดพื้นนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนสันตัดที่เธอสละให้ด้วยยติกรมรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสันตัดพื้นนี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้สันตัดพื้นนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูปหมอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษา นั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันทัดรองนั่งเพื่อ น, นี้กระผมไม่ได้เอาสันทัดเก่าหนึ่งคืบสุคดโดยรอบมาปนใช้ให้ทำเป็นนิสกีกระผมสละสันทัดเพื่อ น, นี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนสันทัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพระเจ้าสันทัดเพื่อ น, นี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกี เธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้สันทัดพื้นนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งหมอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับสันทัดรองนั่งพืนนี้กระผมไม่ได้เอาสันทัดเก่าหนึ่งเคลือบสุคตโดยรอบมาปนใช้ให้ทําเป็นนิสกีกระผมสละสันทัดพื้นนี้แก่ท่าน ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนสันทัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนสันทัดเพื่นนี้ให้แก่ท่าน